นะโมตัสสะปังวะโตอะระหะโตสมมาสมุทสะนะโมตัสสะงกวะโตอะระหะโตสมมาสมุทตสะนะโมตัสสะงวะโตอะระหะโตสมมาสมุธสะ ยินดานิสนิปติตายะบุตธะปิสายะกาจิทามมิตาถาเกเิยเตตังสุนาถะสาธุกันเตวันนี้เป็นวันแสนแดงธรรมเทศนาเนื่องในโอกาสเตทางสำนักงานใหญ่ของเรา ได้ทำบุญประจําวาระที่เคยบําเพ็ญมาตลอดการท่านผู้เจริญทั้งหลายจะเห็นได้ว่ากระแสบุญที่เราทําโดยเฉพาะการทําบุญตักบาตรตอนเช้าที่ทํามาเป็นจังหวะนั้นตามโอกาสนั้น เห็นว่ามีความเก่าหน้าไปเรื่อยๆจากน้อยไปหามาการาโดยลำดับอาตาหารก็มากมายถวายอาหารว่าจะผ่านพ้นไปก็เกือบจะอิ่มสะก่อนอเห็นอาหารเลยได้รับข้อคิดว่า ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาพระสงฆ์เรา อ, อยู่อย่างเี้ท่านจะเริญทั้งหลาไม่วาระชีวิตต่างๆสำหรับบัตฑมาก็มีชีวิตอยู่อย่างนี้ยมพูดให้อธิบาให้ทราบตรงๆเราเป็นพระสงฆ์มาฝ่ายบวช บวชตั้งแต่เป็นเนนน้อยต่ออายุยี่สิบก็ท่านหลวง ป, ปู่ก็บวชเป็นพระให้ต่อจากเนนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็แก่ชราแล้วท่านทั้งหลายก็ทราบจัดรวมความแล้วว่าชีวิตของเราชาติหนึ่ง แต่ละชาติหนึ่งของคนเรานั้นอาจะมามีชีวิตอยู่ญาติหนึ่งใต้ร่มกษาวพัทตลอดตั้งแต่เกิดมาเดียงสาเรียนจบป .4 ธรรมชาติแล้วก็อายุประมาณใกล้สิบห้าก็มาบวชเนนแล้วบวชต่อมาเป็นพระจนถึงตุวันนี้ แปงว่าเราอยู่ในชีวิตสงฆ์ในชีวิตของพระก็หาข้อมูลยู่ว่าทำไมพัดอาหารอันนี้เป็นความจริงว่าทำไมถ้าอาหารมากๆเชจนบรรสินบรรศาสตร์ฉันได้น้อยแล้วก็ทำไมอาหารธรรมดาธรรมดา จึงชันได้มากยอมมาคิดถึงความรู้สึกทางใจเมื่อมันมีน้อยใจมันก็พร่องตาหูมันก็พร่องเหมือนกับว่าน้อยไปกลัวจะไม่อิ่มหลายองค์ด้วยกลัวไม่อิ่มเงี้ยมันก็หิวมันก็อากินได้มาก ในวันมากเกินไปอย่างขอไปไม่ใช่จำหนืเรื่องมากเรื่องน้อยแต่ว่าเปรียบเทียบหาข้อมูลมันมีความรู้สึกอย่างนั้นได้ว่าเ <c oughs> มื่อมันมากมันก็อิ่มอิ่มตาโดยเฉพาะอิ่มตาแล้วก็อิ่มใจมาก <c oughs> ไปมากไปมากไปเหมือนวันศีนวันศาสตร์อ่างเช่นวันนี้ ที่แจกอาหารเป็นชั่วโมงมันก็คือมากมายหลายอย่างมันก็มากขึ้นมาขึ้นมันก็อิ่มอิ่มกายอิ่มใจอิ่มตาซะก่อนอิ่มตาเมื่อตาอิ่มใจก็อิ่มท้องพลอยอิ่มไปด้วยว่าฉันของมากฉันได้น้อยของน้อยฉันได้มากโยมทดลองดูก็ได้ มีพระห้าองค์ในมลมาแกงทวยเดียวกับประทูสองตัวท่านก็โยมียาวังมากินหลังท่านรอท่านจะชันจนหมดอเงี้ยเพางั้นตรงนี้เองมที่ว่ามัน อ, อิ่มตาอิ่มใจและท้องก็พลอยรอยอิ่มไปด้วยเป็นอย่างนี้สัญชาติญาณของเรา ที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อให้หาข้อคิดก็ไปธรรมะที่ญาติโยมจะฟังวันนี้โดยไม่ทราบไปจุดประสงค์อยู่ตรงไหนเมื่อค้นในธรตมาภาพก็ภาระของวัดยังจะต้องจบในเวลาสามทุ่มสองทุ่มธรรมะในวัดเพราะเป็นวันมหาวรนา จะต้องมวนาออกพรรษาเสีอก่อนแล้วก็มารถไฟจากโซเรนมากรุงเทพเนี่ยมารถไฟก็นอนไม่หลับหลับนอนไม่ลัก็ไม่ได้คิดเรื่องเงินธรรมะก็เกิดขึ้นมาในใจตริตรองไปตามนั้นจนว่านอนไปหลับเมื่อเมื่อกี้หลับได้บ้างแล้วมีกําลังใจขึ้นมา คือว่าคิดไปคิดมาโอที่ว่าที่เราเห็นนักโทษที่เขาลงโทษเท่านั้น่านี้นปีเอาลงโทษตลอดชีวิตลงโทษประหารไม่ใช่มีแต่นักโทษที่เราเห็น รวมแล้วเรือนจำใหญ่และเกินยมโลกทั้งโลกเป็นเรือนจำมนุษย์ทั้งหมดเป็นโทษประหารและรวมทั้งเราท่านทั้งหลายพวกเราเป็นนักโทษรวม เกิดโทษนั้นคือเกิดจากกรรมอันนี้วันนี้ขอเคยมาเทศหลายครั้งวันนี้ขอเทศตามความคิดนิดหน่อยแต่ก็คิดในกระแสนี้กระแสนี้แหละที่พระพุทธองค์ทรงเบื่อหน่ายโลกเพราะท่านเกิดในโลกนี้เกิดแล้วก็ถูกประหารมา อเนกชาตแปลว่านับชาติไม่ท้วนเราพิจารณานักโทษตามกฎหมายซะก่อนไม่ต้องพิจารณามากนักโทษโทษประหารไม่ประหารแต่แต่นี้สมมติว่าโลกนี้ลหละเป็นเป็นเรือนจำใหญ่ เรามาผิดกฎหมายพวกเราทำผิดกฎหมายหมดกฎหมายอะไรกฎหมายของพระยามัจจุราชพระยามัจจุราชเขาเป็นใหญ่แล้วคำว่าพระยามัจจุราชก็คือความตายพระยาอีกที่เป็นน้องชายเขาคือพระยาธิ พยามัจจุราชความตายแต่พยาธินี่แหละร้ายกว่าเพราะพยาธินี่เป็นน้องชายของพยามัจจุราชพยาธิมีหน้าที่และาร้ายมากที่สุดพยามัจจุราชคือความตายพยาธิคือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเรียกว่าพยาธิ แต่ในเรามีโทษประหารตรงโดยตรงที่เราทำผิดกฎหมายคือพากันมาเกิดมาเกิดในโลกนี้มาเกิดในเรือนจำของเขาเรือนจำเขาใหญ่แล้วเกินคือทั้งโลกสัต ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์บกสัตว์น้ำมาเกิดในโลกนี้ผิดกฎหมายใหญ่ในที่สุดทุกคนไม่พ้นจากที่เขาจะประหารชีวิตกลัวโลกนี้แม้จะเป็นเรือนจำใหญ่ แต่เรือนจำนี้ก็ให้โอกาสให้เวลาสนับสนุนขัดขานโดยอัตโนมัติคือเมื่อมารวมต้องโทษอยู่ในโลกนี้แล้วต่างคนต่างก็มีสิทธิเสรีภาพ ทำมาหากินประกอบไปชีพการงานศึกษาเรียนแล้วมีอำนาจเป็นใหญ่ในการสมมติสมมติกันเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ใต้ปกครองซะก่อนแต่ว่าทั้งหมดทั้งผู้ปกครองทั้งผู้บริหารประเทศชาติทั้งผู้ บริหารโลกก็จะอยู่ในเรือนจำเดียวกันคือโลกแห่งนี้ในที่สุดก็จะต้องถูกประหารด้วยกันทุกคนเพียงแต่ว่าบางคนก็อาศัยทำประโยชน์ให้แก่โลกประโยชน์ส่วนตัวบ้างก็จงอาศัยอยู่ในโลกนี้ ด้วยความสุขสบายในขณะที่เราอยู่สุขสบายไม่ทรัพย์สมัติบ้างยากจนบ้างก็พออยู่ได้เพลินๆไม่โลภไม่โรคสำทับมาเองไม่กฎหมายสำทับมาในแว่นแควนนั้นๆนะนั้ น, น, นในโลกเดียวกันนี่แหละคือเรือนใหญ่จำเรือนใหญ่เดียวกันเนี้ย ยังแบ่งเป็นแว่นแคว้นเป็นจังหวัดเป็นประเทศก็มีกฎหมายในนั้นด้วยแคบออกมาเพื่อกฎหมายประจำรัฐประจำหมู่บ้านรประจำสถานที่ออกมาแสดงว่าโอ้ทุกข์โยมโลกนี้คือทุกข์ในพระไตรปิกมีภูปิกษุในรูปหนึ่ง ทั้งก่อนที่ท่านบรรลุธรรมท่านก็อุทานออกมาทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุก์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับท่านอุทานทำมาอย่างนี้เ็นทนะภิกษุในรูปหนึ่งก็ท่านมาสลดใจตรงนี้ตรงที่ ว, ว่า มีเท่ากับ ว, ว่าโลกนี้เวรเรือนจำใหญ่ของพยามัจจุราชเมื่อเปรียบเทียบง่ายๆแก้เหงาก็คือว่าพยามัจจุราชคือความตายท่านทั้งหลายที่พวกเราจะเปรียบแคบๆว่าชีวิตนี้เหมือนกับยืมเขามา ชีวิตร่างกายเหมือนกับยืมเขามายืมใครยืมพยามัจจุราชคือความตายยืมความไม่ตายยืมความไม่ตายเขาได้มาไม่สมำเสมอกันแล้วแต่บุญแล้วแต่กุศลแล้วแต่ความดีที่พยามัจจุราชก็เห็น ซื่อคือหมายความว่าบางคนเขาให้น้อยคือให้อายุนะโยมให้น้อยบางท่านก็ให้มากบางท่านเขาก็ไม่ให้เลยก็มีแล้วในระหว่างที่เราเรียกว่ายืมเขามาก็ถูกต้องที่สุดเพราะของใดที่ยืมของนั้นจะต้องสนอง แต่จะมายอยากจะพูดให้กระชับกระชับกว่านั้นไม่ใช่ยืมแต่เราเช่าเขาซกเช่าพญามัจจุราชไม่อยู่ในโลกนี้เขาให้อยู่ไม่เกินร้อยปีนั่นคนมีบุญหน่อยถ้าคนไม่มีบุญทรายพญามัจจุราชไม่คยชอบก็ ให้ยืมสิบปีห้าสิบปีแปดสิบปีนี่เป็นกระแสวิปัสสนาโยมวันนี้โยมติตรองกระแสวิปัสสนาคือความใช้ปัญญาอย่างสุดซึง้งยืมไม่ใช่ยืมถ้ายืมก็อยู่เนเรายืมของเราก็ไม่ต้องเสียค่าเจ้าอันนี้ไม่ใช่การให้ยืม เราเช่าเขาเช่าพญามัจจุราชใจร้ายบ้างใจไม้ร้ายบ้างพญามัจจุราชก็มีน้องชายที่อำนาจมากน้องชายเขา <c oughs> เหมือนเหมือนกับผู้คุมนักโทษที่ใจร้ายมังย่งยมน้องชายพญามัจจุราชคือพญาธิ พระยาธิเป็นน้องพระยามัจจุราชเมื่อเราเกิดมาเช่าพระยามัจจุราชเป็นตัวเป็นตนได้มาแล้วพระยาจุราชมัจจุราชก็ใช้พระยาธิให้มาเก็บค่าเช่าพระยาธิก็มามาในนาำ โรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างนั้นคือพยาธิอยูงก็ต้องให้ค่าเช่าเขาหนักบ้างน้อยบ้างแล้วแต่พยาธิเขาจะมาเก็บก็เก็บจริงจริงหลแค่เป็นหวัดเป็นไอเป็นหวัดเน็ตไอยน้อยอ ย, อย่างน้อยก็คายาของพยาธิ ห้าสิบบาทร้อยบาทพันบาทแล้วบางทีบางท่านพยาธิก็มาเก็บบ่อยๆคือโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบ่อยๆนั่นแหละคือตัวพยาธิแล้วเราก็ต้องเสียค่าเช่าคือพยาธิตามจำนวนของโรคที่เขาเป็น น่าคิดน่าพิจนาน่าสงสารว่าไม่ค่อยปราณีเท่าไรย่องยาติบางท่านแทนที่จะเป็นโรคเบาเบาเบาที่เป็นเบาเบาเสียค่าเช้าถูกๆเขาก็เอาค่าเช่าแรงอย่างบางอย่าง ต้องสูงมากอยางทุกวันค่าเช่าร่างกายเพื่อจะอยู่อันได้แก่ปยาติที่เขามาเก็บข่าเช่าก็คือข่ายาค่ารักษาโรคต่างๆท่านหลายทำสมาธิพิจารณาดูในโลก ไม่ค่อยได้แท้อย่างนี้ยอมเอามื่อคืนมานอนมาหลับมันก็มาคิดอยู่อย่างนี้ก็ได้อย่างหนึ่งก็คือเราเป็นนักโทษโทษที่มาเกิดในโลกนี้ทุกคนจะต้องถูกเขาตัดสินในที่สุดแม้จะขอเช่าขอมากเท่าไหร่พยามัจจุราชไม่ปราณี ไปโมดยมวงตระกูลของเรายาวเหลือเกินนั่นโดนพระยามัจจุราชเขาไม่ยอมให้เช่าไม่ยอมรับค่าเช่าเงินทองเท่าไรมหาเศรษฐีเขาเงินทองมากกว่าพวกเราเท่าไรไม่เหลือสู้อ่อนวอน กระทำอย่างอุตลุดในที่สุดเขาก็ไม่ประณีก็ตายตามกันไปโดยลำดับแล้วในขณะที่เป็นนักโทษโด้วยกันนักโทษโด้วยกันก็ทั่วโลกองยมยังมีสภาพแห่งความโง่ความเข่าเมาปัญญา ไม่มีใครมาทำอะไรเราพวกนักโทษเองเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นทวีปเป็นประเทศไม่พอใจกันพาการสร้างอาวุธยุโทโธปกรณ์สำหรับฆ่ากันท้งทงที่พระพุทธองค์กตรัสชัดแล้วว่า อนิจจังทุกขังอนัตตาใครมาอยู่ในโลกนี้โลกพยามัจจุราชหรือติดคุกในโลกนี้เหมือนติดคุกที่ว่ามาแล้วก็คือสิ่งที่หนีไม่พน้นก็ได้แก่พยาติพยามัจจุราชนี่แหละคือความเป็นโครคภัยไข้เจ็บ พระองค์จึงรวมว่าโลกนี้มีสามอย่างเกิดมาแล้วอนิจจตาความไม่เที่ยงทุกตาความเป็นทุกอนัตตาความเป็นสภาพไม่ใช่ตนก็คืออนิจยังทุกขังอนัตตานั่นเองคและอันนี้ที่พระองค์เบื่อนาย เพราะพระองค์เคยติดมามากกว่าเราพระองค์ก็เบื่อหน่ายแล้วก็เห็นว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาเนี่เป็นสัจธรรมสัจธรรมอย่างแท้จริงมันเป็นอย่างนั้นเองไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นสภาพไม่ใช่ตนหรือเกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป อ, อนิจจัง อ, อนิจจตาทุกขตาอนัตตาซ้ำสสำซากๆาอยู่นี่แหละแล้วก็มนุษย์ทั้งหลายที่ไม่สร้างสิ่งที่ป้องกันสร้างสิ่งที่ทำลายข้อภัยออกนอกนิดหน่อยท่านเห็นอเมริกากับเราก็เห็นมามากแล้วเรื่อง สงครามนะพูดไปก็เหมือนกับว่ า, า, า, าง่ายเกินไปเหมือนกับว่าเอามะพร้าวมาแจกชาวสวนทำนองนั้ น, นแต่ก็เปรียบเทียบไปฟังอานิจจังทุกขังอนัตตานี่คือสัจจะที่พระองค์ตรัสและมีอะไรที่มาค้านสัจจะได้ไม่มียม อย่างอาวุธยุธทธโภกกรระเบิดปรมาณูนักวิทยาศาสตร์เอกที่ตระหร่กแล้วแต่จะไม่มีอะไรมาขัดข้านสัจจะของพระพุทธเจ้าอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างที่เห็นเขาอดการ น, นั่นไอ้นั่นเพียงแต่มาทำให้ตายมากๆให้ตายเยอะเยอะให้ตายพร้อมพร้อมกัน เพราะฉะนั้นท่านอาัจารย์หรืออาจารย์นักวิทยาศาสตร์นักหรือที่สามารถสร้างนิวเคลียสประมาณูได้อันนั้นมันไม่ใช่อะไรมันเป็นไปอยู่แล้วไม่ต้องมีเราก็ตายอยู่แล้วอยู่ในโลกเนี้ยเพราะฉะนั้นอันนั้นเพียงแต่ทําไม่ตายเร็วตายมากมากตายเยอะ เแื้อไอเราจะตายอยู่แล้วอยู่ในอนิจจังตุกังนะตายอยู่แล้วต้องมารีบร้อนทําให้เราตายเร็วทําไมเพราะฉะนั้นไม่อัศจรรย์ท่านทั้งหลายอย่าไปอัศจรรย์คําว่าตรงนั้นะเกงในทางอธรรมปรมานิวเคลียทุกคนจะตายอยู่แล้วอัศจรรย์อะไรถึงมีไม่มีเราก็จะต้องตายอยู่แล้วยู ตายโดยวิธีใดวิธีดึงเพราะอันนั้นเก่งสามารถที่สุดก็คือมาเก่งโดยการทำลายให้ตายเร็วให้เสียเร็วไม่ใช่ตายให้เจริญเร็วที่ไหนมีไหมหวังได้ไหมในอนาคตโดยไม่มีประมาณว่ามีนักวิทยาศาสตร์นักปราชญนเออหนอที่ระเบิดตู้มขึ้นมาแล้วทำให้คนฟื้นขึ้นหมดทั้งป่าชา อย่างนี้มันถึองจะอัศจรรย์โยงและมีหวังไหมที่ระเบิดขึ้นมาแล้วทำให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นหมดมันไม่มีมันขัดกับสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงเพราะฉะนั้นไม่อัศจรรย์ไม่น่ากลัวน่าแต่อย่างคิดสบายๆเห็น วาคุ้งตอนที่ก็แสดงอวดสักดานั้นน่ะถ้าเราตายระหว่างตรงนั้นตรงวันโยมอันตมาวาสบายไม่ต้องเจ็บปวดอะไรเพราะเราก็จะต้องตายอยู่แล้วไม่รู้ว่าพยาธิเขาจะมาเก็บค่าเช่าออกี่กี่วันกี่เดือนกี่อะไรต่ออะไรและในโลกเฮ้มันก็มีหลายอย่างที่ทำให้เกิดพยาธิ อุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆนานาที่ประเทศไทยเราเคยภูมิใจว่าโอ้ประเทศไทยของเรานี้ไม่มีภัยธรรมชาติเหมือนประเทศอื่นมีภูเขาไฟแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดออกนอกเลยดอยง ม, มีคนตายมากๆเราภูมิใจว่าประเทศไทยของเรา ไม่มีอุบัติเหตุขณะ น, นี้แต่ว่าประเทศไทยนี่แมีแผ่นดินไหวใหญ่มีคนตายมากมากกว่าประเทศอื่นตัวโลกแผ่นดินไหวใหญ่ทุกปีปีละสงครั้งที่ไหวใหญ่มีคนตายนับร้อยมีคนบาดเจ็บหลายพันปีละสงครั้ง ไหวใหญ่ครั้งที่หนึ่งทั้งทั้งที่รู้ให้ตำรวจหรือให้เราะมัดระวังไหวครั้งที่หนึ่งคือวันที่หนึ่งมกราคมไหวครั้งที่สองก็คือวันที่สิบสามเมษายนอันได้แก่วันอะไรอันได้แก่เหตุการณ์อะไรที่มนุษย์ในประเทศไทยเราตายนับร้อยบาทเจ็บนับพัน ทั้งสองครั้งนี้คืออะไรนายาโยมพิจารณาดูให้เกิดสัจธรรมนี่แหละคือประเทศชาติของเราไม่ได้ปลอดภัยอะไรเลยไอ้นี้เป็นแล้วก็ธรรมนาแต่ละวันแต่ละวันก็มีการอาบาดเจ็บหรือลมตายต่างๆนานา น, า น, า น, า น, า น, นี่คือเรามาอยู่ ในเรือนจำใหญ่ที่มีเพศมีภัยต่างๆนานาอย่าเพลิดเพลินอย่าอวดดียาอะไรเจรงอยู่เราสุขสบายกว่าเรามีอำนาจกว่าหรือเรามีความสบายกว่าก็แค่นั้น แต่สิ่งที่มาเบียดเบียนเราก็คือเรามาอยู่ในเรือนจำเดียวกันคือโลกนี้เราจะต้องถูกประหารในเวลาใดเวลาหนึ่งด้วยกันทุกคนโดยพยาธิมาเก็บค่าเช่าเระโรคต่างๆที่พยาธิเขาเอานั้นไม่สม่าเสมอกัน โรคหนักที่สุดเทรสาเทไรก็ไม่หายหุธองค์ต ร, ตรัสเป็นกลางกลางนยงมโครคภัยไข้เจ็บในโลกนี้มีอยู่สามชนิดในเหมือนหมอนับเยอะแยะท่านแบบโรครัดมีอยู่สามอย่างหนึ่งโรคบางอย่างเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องรักษาก็หายสอง โรคบางอย่างเกิดขึ้นแล้วรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายรอบสามโรคบางอย่างเกิดขึ้นเออพูดพูดพูดฟังใหม่ดีกว่าเนาะหนึ่งโรคบางอย่างเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องรักษาก็หายสองโรคบางอย่างเกิดขึ้นแล้วต้องรักษาจึงจะหาย สโรคบางอย่างเกิดขึ้นแล้วรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายไมีสามลักษณะดังนี้อันได้แก่โรคอะไรท่านู้เจริญทั้งหลายพวกเราก็ปรารถนาว่าเช่นไหนหนอรู้ว่าเกิดมาต้องมีโรคก็ขอให้เป็นโรคประเภทหนึ่งไม่ต้องรักษาก็หายความปรารถนาของเราถ้าจะร้ายกว่านั้นขอให้เป็นโรค เมื่อเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วรักษาแล้วก็จะหายอย่าได้เป็นโรคที่รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายเลยเราก็ปรารถนาอย่างนี้ความปรารถนาจะสมหวังหรือไม่หนอก็ขึ้นอยู่กับบุญขึ้นอยู่กับกุศลที่เราบำเพ็ญไว้มาเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่เราบำเพ็ญมา สมเด็จพระสังฆราชทรงตรัสว่าอภิกั n จีดังจีวิตตมาหูธีราเดจีดานสังวรมีหนังสือเล่มใหญ่ๆมากมายแต่มีเล่มเล็กอยู่เล่มหนึ่งที่น่าสนใจและใช้นังใช้มีพระบาลีว่าอภปกั n จีดังชีวิตตมาหูธีราจีวิตนี้น้อยนัก พันว่าชีวิตของเราหนะน้อยมน้อยอยังไงน้อยสองอย่างน้อยด้วยการเวลาที่มีอยู่มีอยู่เจ็ดสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีร้อยปีร้อยกว่าก็ถือว่าน้อยเพราะว่าวันเดือนปีมีมากแต่วันเดือนปีที่เราเกิดนั้นมีน้อย ท่านมเจริญทั้งหลายที่ว่าน้อยเพราะจะเทียบกับของมากจะ เ, เทียบไม่ได้วันเดือนปีเป็นกับเป็นกันที่หมดไปแล้วนับอสงไขไม่ได้มันมากมายอะไรถึงขนาดนั้นเป็นกับเป็นกันวันเดือนปีนะแต่ไอ้ที่เรามีอยู่ด้วยคนละแปดสิบเก้าสิบนี้หรือร้อยปีเนี้ยมาเทียบแล้วน้อยที่สุดโยม และบางคนก็ไม่ต้องเทียบถึงห้าหกสิบปีหรอกไม่รู้ว่าไปเมื่อไหร่อันนี้ไม่ต้องพูดมันยาวอ่อทีนี้เอาเฉพาะคนที่สูงอายุอายุปัจจนาสูง100 130ร้อยปีร้อยสามสิบอะไรอะไรแค่นี้เทียบกับความมากไม่ได้มันน้อยอเหมือนกับเขาว่าประเทศไทยนั้นมีเจ็ด มีแผ่นดินอยู่เจ็ดล้านกว่าล้านไร่มีมากมายเอาแค่ไทยก็พ อ, พอมีมากมายนับแสนล้านไร่มากก็จริงแต่ไอที่เป็นของเรานะ่ะน้อยมีคนละห้าสิบหกสิบไร่หรือพันสองพันไร่เทียบกับความมากต้องถือว่าน้อย แล้วบางท่านไม่มีเลย อ, อย่างสักไร่เดียวต้องเช่าเขาอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมีมากแต่ไรไอ้ที่เรามีด้วยน้อยย่อมหรือเทียบกับเงินก็ได้เงินในประเทศไทยของเรานั้น่ะมากมายเหลือเกินเศรษฐีคนนั้นอันดับนั้นอันดับนี้เงินมากแต่ที่เป็นของเราทำไมจึงน้อยย่อม บางท่านมีแต่ว่าน้อยยิ่งกว่านั้นบางท่านยังเป็นหนี้เขาอีกเหมือนกับแผ่นดินที่มีมากบางท่านไม่มีเลยสักไรต้องเช่าก็อยู่ตลอดนี้แหละสิ่งที่มีนะ่ะมันมากแต่ที่เรามีกระเขาด้วยนะ่ะมันน้อยโยมนี่น้อยด้วยจํานวนการเวลาที่จะมีชีวิตอยู่แล้วน้อยด้วยจํานวน ทุกคนจะร่ำจะรวยด้อยปัญญาอะไรอะไรก็ไม่จานวนคนละหนึ่งตัวหนึ่งตนหนึ่งบุคคลหนึ่งท่านหนึ่งพระคุณท่านตามลำดับฐานะยกย่องขันขั้นไปเองไม่มีใครไม่เกินหนึ่งเกิดมาคนละหนึ่งคนหนึ่งตัวหนึ่งตนในคณะที่หนึ่งตัวหนึ่งตนนั้นอุปสรรคอันตรายมันมากมายอะไรอย่างนั้น อุบัติเหตุอุบัติภัยก็เพียงนั้นศัตรูหมู่ประชามิตรก็ขนาดนั้นโรคภัยไข้เจ็บอย่างที่ว่ามาแล้วก็ถึงเพียงนั้นนี่แหละตัวเม่น้อยด้วยอันตรายมากมายแล้วเกินเพราะฉะนั้นในชีวิตนี้ท่านจึงกล่าวว่าเต็มไปด้วยอันตรายหรือเต็มไปด้วยความลำบาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมให้เราแสวงหาที่พึ่งด้วยการอาพยายามปฏิบัติเพื่อให้ได้ดีกว่านี้หน่อยท่านทัง้งหลายถ้าองค์แสดงอย่างนี้เรียกว่ามนุษยสมบัติสวรรคสมบัตินิพพานสมบัติมนุษยสมบัติสมบัติในเมืองมนุษย สวรรค์สมบัตสิสมบัติในการเสวยสวรรค์ น, นิพพานสมบัติก็คือเข้าสู่นิพพานไปแต่ในมนุษย์สมบัติก็ถือว่าเป็นสมบัติแล้วพ้นจากกําเนิดตกต่ําติระชายวนิซึ่งมีกําเนิดมากมายอ่าแล้วก็พ้นจากอ น, นันต์แล้วได้มาเป็นมนุษย์แล้วการที่เราพ้นจากกําเนิดตกต่ําเป็นมนุษย์ในโลก ยังมีบุญไม่สม่ำเสมอกันมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จริงแต่บางท่านอยู่ในแดนที่ไม่สะอาดไม่สระสลวยสวยงามรือมีอะไรที่พอเกื้อกูลในการปฏิบัติธรรมบางท่านก็พ้นจากกำเนิดตกต่ำเพื่อไปเกิดแถวแอฟริกาใต้หรือคองโกอะไรเจ่านั้นผิวพันวันณะอย่างนั้นอย่างนั้น แล้วเราก็บุญแค่ไหนเพียงไรได้มาเกิดทางเอเชียอาคเนย์เป็นมนุษย์ที่มีผิวพรรณวัร น, น์างามไม่ว่าไทยเป็นเราจีนหรือยุออออออโรปบางจุดออมีผิวพรรณวัร น, น์างามเทียบกันดูกแล้วกันแล้วพวกเราอยากมีบุญกว่านั้นได้มาเกิดกับบิา·มันดาผู้เป็นสมาธิธ เออมีความเห็นชอบชวนเราทำบุญทำกุศลยังมาทันมะพุทธศาสนาซึ่งเสื่อมหมดทั่วโลกเคยเจริญมาแล้วก็มาเหลืออยู่ที่ประเทศไทยเหลืออยู่หลายประเทศแต่ว่ามันน้อยแต่ประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศไทยมีพุทธศาสนาล้วนแล้วยังมาทันมะพุทธศาสนาแล้วก็ยังเกิดกบิดามดาผู้เป็นสมาธิธ พะเราทำบุญทำกุศลยังมาทันครูบาอาจารย์จะแนะนำแนวทางเ้นสมาธิปัญญาให้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นโอกาสของพวกเราท่านตังหเนี่ยยังดีพุทธศาสนาเหลือนิดเดียวที่ประเทศไทยเราก็มาร่วมกันแต่นี้พร้อมเพรียงกันทุกวันทั้งส่วนราชการส่วนไรเมสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวกันผู้สาสนุปฐมภพ เช่นสมเด็จพระเช่นพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนั้นะพระองค์ทรงยึดมั่นหนักแน่นในพระธรรม พระเวนัยเข้าหาครูบาอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดีพระองค์จึงเป็นบุคคลพิเศษในประเทศชาติของเราที่พระองค์สิ้นไปชนไปแล้วความละายอวรนและความเคารพนับถือมากมายเหลือล้อนอย่างที่เราปรากฏในขณะ น, นี้ซึ่งจะเป็นที่สุดในการเป็นกุศลของพระองค์ ในเดือนนี้เองเพราะฉะนั้นเราได้มีโอกาสมาเจอะเจอสิ่งที่ดีงามก็าถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลกว่าเราจะเป็นไปในทางเดียวกันดูเถิดพระองค์มีพระราชอำนาจราชท ร, รัพราชรายต่างๆนานา ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะพยามัจจุราชได้คือความตายความแก่ความชราดังนั้นเราจึงถือว่าอยู่ในวงล้อมเดียวกันเหรออยู่ในรัฐ ะ, ะแวนแควนเหรออยู่ในในโลกแห่งความอนิจจังทุกขังรัตตาที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราทำบุญ บริจาทานการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะยกฐานะของเราให้พ้นจากภาวะแดนนี้ออในในในเรือนจำแห่งนี้ในโลกนี้ให้พ้นไปอยู่ในเมืองสวรรค์ เ, เมืองอื่นที่มีโอกาสสวยสวรรค์ความสุขยั่งยืนยิ่งกว่านี้ละเอียดอ่อนกว่านี้แล้วก็ มั่นคงและตั้งมั่นกว่านี้เหมือนหนึ่งพระนิพพานที่เราข้ามพ้นจากภาวะน้าตกต่ำดังนี้ไปเพราะฉะนั้นการที่ยาติยยมพุทธมรัทโดยเฉพาะาสานักงานอาธิวาสสำนักงาน อของเราี้อัตมาถ้าออกชื่ออะไรก็มักจะเปิดสมรังานปฏิวัติสมนักงานของเรานี้ได้ชวนกันประพฤตปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมในมลครูบาอาจารย์ที่หนักแน่นในทางธรรมไม่ชี้แจงท่านเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นนักแสดงธรรมสูงสูงยกญาตโยมให้ผลนจากให้ละกิเลสตนะราคะต่างๆแสดงไปหมดแล้ว ส่วนอาตมาก็พูดเหมือนกับย้อนหลัง เทศย้อนหลังดูกำเนิดเกิดย้อนหลังของเราอย่างไรเท่าที่กล่าวมาวันนี้ก็คือในขนะที่ว่าเพื่อเข้าใจรวบรวมหรือเรียบเรียงให้รู้ในสิ่งที่ย้อนหลังมาว่าเราเป็นมาอย่างไรและเราจะกําลังอยู่ในสภาพอะไรและปฏิบัติอย่างไรจึงจะพ้นจากภาวะเหล่านี้ก็อย่างที่สั้นทั้งหลายได้ปฏิบัติมาแล้ว ที่พูดมานี้เพื่อให้เกิดความคิดเองเข้าใจเองตรีตรองเองต่อไปและเชื่อละเกินท่านเป็นนักปรานักรู้ผู้เจริญแล้ว เป็นข้าราชการชั้นผู้เจริญแล้วสามารถเคี้ยขบเคีดสามารถเข้าใจเพราะฉะนั้นเท่าวเตี้ยตา ม, มาพูดเนี่ยเหมือนกับเป็นปริศนาเหมือนกับเป็นขอ้อเคดเหมือนกับอะไรที่จูงใจให้ท่านทั้งหลายโออย่างนี้เองที่เราเกิดมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราจะต้องขยับขยายไปเพื่อให้พ้นภาวะอเ น, นี้จิงอยู่ท่านทั้งหลายเราได้เกิดเป เป็นมนุษย์แล้วแม้จะเกิด เอกเีกชาติก็ตามก็ขอให้เป็นมนุษย์ชั้นเลิศชั้นประเสริฐหรือทำบุญกุศลปฏิบัติต่อไปก็จะพ้นจากภาวะแห่งมนุษย์ไปเสวยสวรรค์อยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นจะนั้นจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนี่คือกระแสและเราทั้งหลายได้เดินตามกระแสนี้แล้วแม้จะช้าแม้จะนานแม้จะน้อย แต่ก็ภูมิใจที่ได้ผ่านมาแล้วเน่คือกระแสธรรมในวันเน้ เพราะฉะนั้นในที่สุดแห่งธรรมกถาวางว่าท่านตังางยจะพิจารณาในการปฏิบัติธรรมเพื่อความผลทุกตามลำดับตามฐานะของเราไปเมื่อตั้งใจปฏิบัติการผลทุกและการประสบสิ่งที่พึงปรารถนาย่อมสมรัถอย่างแน่นอนธรรมกถาพอสมควรแก่เวลาใอ้วังก็มีด้วยประ การะชนี